แม้ขณะที่ยังไม่ได้ออกปากรับทรัพย์สมบัติของสุเทวฤศีอัตมาก็ยังยุ่งยากถึงเพียงนี้ถ้ารับเอามาจัดการจริงๆจะลำบากสักเพียงใด เมื่อคิดถึงตอนนี้อตาต ม, มาเกือบจะตัดสินใจปฏิเสธไม่รับทรัพย์สมบัติของฤาษีชราแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยเหลือให้แกได้ไปผุดไปเกิดเสียขณะที่กำลังครุ่นคิดหาทางออกอยู่นั่นเองชายคนหนึ่งชื่อปันซึ่งอาศัยอยู่ที่ห้องแถวเชิงบันไดหน้าก็มาพบอาตมาที่กุฏิ นายป๋นเป็นชายอายุประมาณสี่สิบปีมีลูกหกคนสามคนแรกไปเข้าเรียนในโรงเรียนราชในเวียงโดยอาศัยอยู่กับญาติส่วนสามคนหลังที่ยังเล็กๆทำงานขายดอกไม้ทุบเทียนแก่ผู้มากราวายพระธาตุมีรายได้วันละเล็กและน้อยช่วยครอบครัว ส่วนนายปั่นและภรรยาขายกาแฟและก๋วยเตี๋ยวมีรายได้พอส่งเสียให้ลูกเรียนแม้จะทำ ง, งานตัวเป็นเกลียวก็มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายฐานะของแกจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ยากจนแต่แม้กระนั้นนายปั่นก็มีศรัทธายึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนาใส่บาตรให้ตามาเป็นประจำทุกเช้าไม่ได้ขาด หลังจากถ่ายทักกันตามธรรมเนียมแล้วนายปันก็เริ่มต้นเข้าสู่จุดประสงค์ที่มาเยี่ยมอัตมะผมต้องการจะเปลี่ยนอาชีพเสียทีเพราะขายกาแฟบนดอยไม่มีทางก้าวหน้ารายได้ขึ้นอยู่กับผู้มาไหว้พระาธาตุในฤดูแล้งพอจะมีรายได้บ้างแต่ในฤดูฝนไม่มีคนขึ้นดอยต้องชักทุนเดิม ผมได้ปรึกษากับภรรยาว่าจะซื้อรถสามล้อเครื่องสักหนึ่งคันรับคนโดยสารขึ้นลงดอยส่วนภรรยาก็คงขายกาแฟต่อไปเป็นการหารายได้ช่วยกันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสนอจะขายรถของเขาให้ในราคา6กพันบาทเวลานี้ผมมีอยู่เพียงสองพันบาทเท่านั้นใครขอความการุณาให้ท่านช่วยอีกี่พันบาท โยมโยมก็ทราบอยู่แล้วว่าอาตมาเป็นพระอาคันตุ ก, กะมาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่นานจะได้เงินทองที่ไหนไมาช่วยโยมผมทราบข้อ น, นั้นดีผมไม่ตั้งใจจะมาขอเงินจากท่านโดยตรงแต่อยากจะขอให้ท่านช่วยขอกู้จากทางวัดพระาธาตุให้เพราะทางวัดมีเงินอยู่ ผมจะผ่อนส่งเงินต้นคืนเดือนละสามร้อยบาททางวัดจะคิดดอกร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนผมก็ยอมทั้งนั้นเมื่อได้ฟังปัญหายุ่งยากของนายปั่นแล้วอาตมาก็เกิดความยุ่งยากในใจขึ้นมาทันทีเรื่องของพระฤาษียังไม่เสร็จเรื่องของโยมผู้มีอุปการะคนก็ประดังเข้ามาอีกทั้งสองคนล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัッ์ ซึ่งอาตมาได้ล้างมือแล้วว่าจะไม่เกี่ยวข้องอีกผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายสำหรับพระทั่วไปหรือเฉพาะพระที่ปฏิบัติหรือทั้งหมดก็าตามส่วนใหญ่นี้ถ้าใครมีปรกระคนมา ออกปากขอความช่วยเหลือนั้นทำให้พระนี่หนักหนักมากลำบากใจมากแบบเกลือนไม่ได้ขายไม่ออกถึงขนาดนั้นนะตมาเคยผ่านมาแล้วยอมท่านเอ่ยถ้ายมท่านไม่อยากให้พระลาบากใจอย่าพูดเรื่องเงินเงินทองทองในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากเลยมันลำบากใจมากเรื่องนี้นะจึงแจ้งให้สมาธิผู้สนใจฝ่ายทำ ว่าลำบากขนาดไหนให้พึ่งพาคาวาะญาติโยมด้วยกันเป็นการดีมากจะติดหนี้ยืมสินแลจะหลอกจะลวงจะคดจะโกงหรือตั้งใจะจะใช้เดือนสองเดือนไม่ได้ใช้อะไรก็ตามก็ให้อยู่กับคาวาะเดียวกันอย่ามาเปิดเบื้อนถึงพระสงฆ์กลัวว่าโยมจะเป็นบาปทางใจสามเดือนจะถวายคืนพอสามเดือนแล้วก็ไม่ได้มาถวายเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลง ทางจิตบ te ้างทางกิจการทางทรัพย์ไม่พร้อมบ้างแล้วมันจะเป็นเหตุให้โยมไม่สบายใจยิ่งกว่าไปติดหนี้คารวะนายจึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบตรงนี้ก็กล่าวต่อไปท่านพระสารทันบอกไปว่าซึ่งอาตมาได้ล้างมือแล้วว่าจะไม่เกี่ยวข้องอีก แต่คิดไปคิดมาก็เกิดความสงสารญาติโยมผู้กำลังประสบความเดือดร้อนและบากหน้ามาขอความช่วยเหลือครั้นจะปฏิเสธเสียก็จะเป็นการทารุณเกินไปและเป็นการไม่บังควรที่จะกระทำต่อผู้มีอุปการะัคุณเช่นนั้นเมื่อราธพราหมู้ชราไปขอบวชแบบไม่มีญาติพระสารีบุตรยังรับเป็นเจภาพจัดแจงให้ เพาจำได้ว่าราทพรามเคยถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวนายปันใส่ปาตรให้อตามาทุกวันเมื่อเขาเดร้อนมาขอความช่วยเหลืออตมาจับปฏิเสธได้ลงคอชื่รึกหลังจากคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งอตามาก็ตกลงว่าจะช่วยนายปันและวิธีช่วยที่ดีที่สุดและเหมาะสมก็คือยกทรัพย์สมบัติของพระฤาษีให้แก่เสียเลย นี่พระท่านคิดอย่างนี้ซึ่งผิดเป้าหมายของพระฤาษีแล้วเพราะพระฤาษีท่านตั้งใจให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมการเอาไปให้คารวาะก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จริงแต่ไม่แน่ใจว่านายปันณีจะใช้ใจเป็นหรือเปล่าถูกต้องตามเจตนาพระฤาษีหรือเปล่า อ, อย่างบุญกุศลพร้อมที่จะรับทรัพย์สมบัติหรือเปล่าท่านพระอาจารย์พระธุดงค์้ท่านพูดต่อไปว่าเพราะนายปันควรจะเป็นผู้เหมาะสมสำหรับมหาสมบัตินั้นเนื่องจากแกมีความเดือดร้อนเรื่องทรัพย์และเป็นคนมีจิตใจเลื่อมใสในพระศาสนาดีคนหนึ่ง เมื่อตัดชินใจดังนี้อาตมาจึงบอกเขาว่าอาตมายินดีจะช่วยโยมเขาก้มลงกราบเทพเทาตมาด้วยท่าทางยินดีปรีดาและกล่าวขอบคุณต่างๆนานาแต่ตมาจะไม่กู้จากทางวัดนะเพราะตมาเป็นเพียงพระคันตุ ก, กะมาอาศัยอยู่ชั่วคราวท่านคงไม่ไว้วางใจพอที่จะให้อาตมากู้จำนวนมากเช่นนั้น วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณานายปันกล่าวเสริมอย่างแข็งขันตาะมาเลยกล่าวต่อไปว่าในที่ไม่ไกลจากที่นี่นักมีคุมทรัพย์อันมหาศาลของสุเทวะฤษีอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งสุเทวะฤษีเสนอจะให้ขุมทรัพย์นั้นแก่ตมตมา แต่ตามายังไม่ออกปากรับเพราะยังไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวมาวันนี้ก็ดีแล้วทำให้อตามาเห็นช่องทางจะจัดการกับสับนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีนายปันมองดูหน้าตามาคล้ายกับจะไม่เชื่อว่าเรื่องที่ตามาเล่าให้ฟังเป็นความจริงเขาถามขึ้นยั ง, งงงว่าท่านพูดเล่นหรือพูดจริงๆเนี่ยอตามาพูดเล่นไม่เป็น ส่วนโยมจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของโยมนายปันยืนยันในเวลาต่อมาว่าเชื่อตอมาแต่ก็ยังคลางแคลงใจอยู่ไม่น้อยเพื่อให้เขาพิสูจน์ด้วยตนเองอาตมาได้บอกทางเดินไปยังขุมทรัพย์และที่อยู่ของขุมทรัพย์ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่และกอไผ่เป็นที่สังเกตโยมจะไปดูด้วยตาตนเองก็ได้ อาตมากำชับในตอนสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าอาตมาจะได้ตกลงรับปากคำกับพระฤาษีวันมรืนนี้ตอนเชา้าขอให้โยมาพบกับอาตมาที่นี่อีกคงจะผิดพลาดนิดหนึ่งบอกไวเกินไปวาสนาได้หรือเปล่าเนาะ นายปันรับคำของอตาตมาแล้วก็กราบลาไปด้วยท่าทางกระเป้กับเปล่าเป็นพิเศษอตาตมาเองก็ดีใจที่ได้ช่วยให้เขามีความสุขและดีใจที่จะได้ช่วยให้ฤาษีชราเป็นอิสระเช้าวหวันรุ่งขึ้นอตาตมาคงออกวินทบาทตามห้องแถวบริเวณลานจอดรถเชิงบันไดานาคตามปกติเมื่อมาถึงร้าน ของนายปั่นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะปรากฏว่าประตูบ้านยังปิดเปิดแผ่นกระดาษไว้เพียงแผ่นเดียวแทนที่จะเห็นเปิดโล่งอย่างทุกวันยิ่งกว่านั้นภายในบ้านยังเงียบผิดสังเกตคล้ายกับว่าทุกคนยังไม่ตื่นจากหลับอัตมาเข้าใจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคงปิดร้านเข้านอนดึกเป็นพิเศษ จึงทำให้เขานอนเตื่นสายในเช้าวันนี้เพื่อไม่ให้เขาพลาดโอกาสในการทำบุญอัตมาจึงตัดสินใจยืนสงบอยู่ที่หน้าร้านตรงช่องที่เปิดไว้เพื่อว่าถ้ามีคนตื่นขึ้นจะมองเห็นและออกมาใสาบ่บาทยืนอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กร้องขึ้นภายในร้านว่าแม่พระมาแล้ว ในไม่ช้าอาตมาก็เห็นภรรยาในปั่นรีบกระวีกระวาดเปิดแผ่นกระดานหน้าร้านออกอีกสองแผน่นแต่รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เห็นนางเปิดพลางร้องไห้เสือกเสื่ือนเบาๆไปพลางเมื่อเสร็จธุระนางก็มานั่งลงยกมือไหว้อาตมาแล้วกล่าวขึ้นทั้งน้ําตาว่าข อ, อนิมนฑนท่านเข้ามาข้างในก่อนเถิดเจ้า อาตมาถามพยายามระงับความตื่นเต้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือโยมเขาตอบว่าพี่ปันเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบขอนมนต์ททานเขามาดูเองเถิดอาตมาเดินเข้าร้านตามหลังนานไปด้วยจิตใจวุ่นวายผิดปกติจนเกือบจะลืมสมณสัญญาใดๆทั้งสิน้นแม้บรรยากาศภายในร้านจะยังมืดมัว ก็ยังพอมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนภรรยานายปั่นลากเก้าอี้ตัวหนึ่งมาตั้งข้างๆเตียงนอนซึ่งเป็นฟากไม้ไผ่แล้วก็เปิดมุงขึ้นพาดไว้ข้างบนภาพที่อยู่ข้างหน้าของอาตมาคือนายปัน่นซึ่งนอนหลับตาพริมหายใจระัวอยู่บนเตียงหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเวอะแวกจนจําแทบไม่ได้ ภรยาของเขาได้เลิกผ้าห่มออกเผยให้เห็นแผลอื่นๆ อ, อ, อ, อีกเต็มทั่วไปในบริเวณหน้าอกท้องตลอดถึงขาเขาเป็นอะไรไปโจงข้าเจ้าก็ไม่ทราบภรยาเขาตอบด้วยเสียงะอื่นและพูดต่อไปว่าเมื่อคืนนี้เขาออกจากบ้านไปตอนสองทุ่มบอกว่าจะไปทุระแล้วก็หายไปเลย ข้าเจ้าคอยเขาเกือบตลอดคืนก็ยังไม่เห็นกลับมาเมื่อตอนตีสี่ได้ยินเสียงกุกกักที่หน้าร้านเปิดประตูออกมาดูก็พบเขานอนจมกองเลือดฟุบอยู่กับพื้นจึงพยุงเขาขึ้นมานอนบนเตียงถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้แหละตอนที่เจ็ดทะเลบอก ภาพของนายปั่นที่ยับเยินด้วยบาดแผลรอยขีดข่วนและผิวหนังถลอกลึกจนโลหิตไหลซึมทำให้ตา ม, มาเกิดความสงสารสังเวชใจพออยู่แล้วภาพภรรยาและบุตรน้อยทั้งสามของเธอที่ร้องไห้สกื่อืนอยู่ข้างๆยิ่งทำให้จิตใจสลดหดหูลงไปอีกเป็นทวีคูณรู้สึกหัวใจหนัก อึ่งดุดถูกดอยสุเทพทั้งดอยทับกดไว้สำหรับอาตมาในขณะนี้ทุกชีวิตที่อยู่รอบข้างคือตัวทุกข์ที่กำลังแสดงบทบาทอันแท้จริงของตนอย่างเต็มที่แม้ตัวตมาเองซึ่งกำลังปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็ลอยร่วมแสดงบททุกข์ไปกับเขาด้วยโดยไม่รู้สึกตัว ห้องอันขมุกขโมห์ของนายปันในยามนั้นระงมไปด้วยเสีย ง, งค ร, ร่ำครวญร่ำไห้แม้จะเป็นเสียงเบาๆแต่มันสะเทือนจิตใจยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องน้ำตาที่ไหลเป็นทางอาบแก้มแม้จะมีไม่กี่หยดแต่มีอิทธิพลท่วมทนหัวใจยิ่งกว่าสมุดสาขรนแม้ทุกคนจะไม่ปริปากพูดแต่ภาษาทุกก็ตะโกนก้องประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลา อาตมาได้สติกลับจึงออกปากเตือนภรรยาเขาตามหน้าที่ที่จะพึงทำได้ในขณะนั้นว่าอย่าโศกเศร้าไปเลยโยมเขาคงไม่เป็นอะไรมากนะครับโยมรีบไปแต่งตัวเตรียมไว้อีกไม่ช้าคงมีรถขึ้นมาจากในเวียงจะได้นำเขาขึ้นรถไปทำบาดแผลที่โรงพยาบาลภรรยาของเขาหลีกไปแต่งตัวอย่างว่า ง, ง่ายอาตมาขยับเข้าไปใกล้ นายปั่นแล้วก็เอามือจับข้อมือคลำดูชีพจรแม้จะรู้สึกเย็นและชีพจรเต้นชาลงบ้างก็ไม่มีอะไรผิดปกติที่ควรจะวิตกอาตมาบอกอาการแก่ภรยาเขาเป็นการปลอบใจแล้วก็เรียกชื่อนายปั่นเบาๆหลายครั้งนายปั่นตอบด้วยเสียงครางอื้อๆทั้งๆที่ยังไม่ลืมตาอาตมาพยายามจะคิดต่อ ให้เขาตื่นและเล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ไม่สำเร็จถ้าจะพยายามอีกต่อไปก็คงเป็นการรบกวนคนเจ็บเปล่าจึงเพียงแต่นั่งนิ่งจ้องดูเขาด้วยความสงสารสังเวชใจเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูงชาวบ้านร้านถิ่นต่างทยอยกันมาเยี่ยมนายปั่น ผู้ที่กลับไปก็บอกข่าวแต่ต่อกันไปแล้วก็มีคนมาเยี่ยมมากขึ้นจนห้องของนายปั่นแน่นขนาดไปด้วยญาติมิตรคล้ายกับกำลังมีงานทำบนบ้านต่างส่งเสียงสนทนากันแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับบาดแผลประหลาดตามใบหน้าและแผ่นอกของนายปันแทบทุกคนพยายามสืบถามเอาความจริงจากภรรยาของเขาแต่เธอก็ยืนยันข้อความเดิมที่เราให้ตมาฟัง นายไอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เคียงยืนยันสนับสนุนภรรยานายปันเขาบอกว่าตอนสองทุ่เมื่อคืนนี้เห็นนายปันไปขอ ย, ยืมไฟฉายที่บ้านอ้างว่าจะเอาไปทำธุระบางอย่างเมื่อได้รับไฟฉายแล้วก็เดินจากไปแต่นายอ้ายไม่ได้เอาใจใส่ว่าเขาจะไปไหนเพราะการยืมไฟฉายเป็นเรื่องธรรมดาที่เคยหยิบยืมกันอยู่เสมอ มีหลายเสียงสนิทฐานว่านายปันคงจะไปทำธุระบางอย่างในป่าแล้วก็พบเสือเลยถูกเสือทำรายเอาแต่หลังจากได้ตรวจสอบดูลักษณะบาดแผลแล้วข้อสันนิษฐานนั้นก็ฟังไม่ขึ้นเพราะบาดแผลบนตัวเขาไม่ได้อสอแสดงว่าเป็นรอยถูกเสือตะปบด้วยเล็บหรือกัดฟัดเวียงด้วยเล็บหรือกัดฟัดเวียงด้วยเขี้ยวแต่ว่า เป็นแผลถลอกลึกถึงเนื้อมีเลือดไหลซึม อ, ออกมาและไม่อยู่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นด้านหลังไม่มีอะไรเลยตามลักษณะของแผลนายปั่นน่าจะถูกลากคว่มหน้าไปบนแผ่นดินหรือพื้นดินเป็นระยะทางไกลพอสมควรมากกว่าบางคนสันนิษฐานว่านายปั่นคงจะปีนขึ้นต้นไม้โดยวิธีโอบแต่พลาดตกลงมาทั้งทั้งที่กำลังเอามือโอบต้นไม้อยู่ ยิงมีรอยถลอกปอกเปิกเต็มไปทั่วด้านหน้าของร่างกายมตินี้น่าฟังอย่างยิ่งแต่ก็ชวนให้คิดว่านายปันไปปีนต้นไม้ทําไมในเวลาค่ําคืนนอกจากนี้ยังมีมติอื่นๆอีกแต่ในที่สุดก็ไม่มีการตกลงกันและไม่มีใครรู้ความจริงจนกว่านายปันเองจะเล่าให้ฟัง อาตมาสั่งการให้ญาติมิตรนำนายปันส่งโรงพยาบาลแล้วก็อำลากลับกุติและสัปรปตาหารเช้าสายกว่าวันอื่นๆเล็กน้อยขณะที่ฉันจิตใจก็ครื่นคิดแต่เรื่องของนายปันจนทำให้ฉันได้น้อยผิดปกติฉันเช้าเสร็จล้างเช็ดบาดเก็บแล้วเรื่องของนายปันก็ยังไม่ยอมออกไปจากจิตใจ ข้อสำคัญก็คืออยากทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนทำให้นายปันได้รับบาดแผลประหลาดเช่นนั้นความกระหายอยากรู้ความจริงเกือบทำให้ตัดสินใจตามไปดูอาการนายปันอีกที่โรงพยาบาลแต่ได้ระงับจิตใจไว้แล้วก็ประกอบกิจวัตรไปตามปกติบ่ายวันนั้นเอง ขณะที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่หน้ากุตินายไอ้เพื่อนสนิทของนายปั่นก็มาหานั่งลงยกมือไหว้แล้วก็รายงานว่าเมื่อเชา้านี้พอท่านจากมาไม่นานก็มีรถขึ้นมาจากเวียงเราจึงช่วยกันหามนายปั่นขึ้นใส่รถนำส่งโรงพยาบาลหมอได้ลงมือทาบาดแผลทันทีเสร็จแล้วนายปั่นก็นอนหลับสนิทจนกระทั่งเกือบเที่ยงจึงตื่นขึ้น เมื่อลืมตาตื่นขึ้นคำแรกที่เขาพูดก็คืออยากพบท่านพวกผมพยายามถามสาเหตุที่เขาได้รับบาดแผลแต่เขาไม่ยอมบอกยืนยันอย่างเดียวว่าจะต้องพบท่านสีก่อนหมอพยายามสอบถามเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นผมจึงมาขอนิมนต์ท่านไปพบเขาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ด้วย อาตมาโล่งใจที่ได้ทราบว่าอาการเขาดีดขึ้นถึงขนาดพูดได้แล้วและรู้สึกประหลาดใจที่เขายืนยันอยากจะพบอาตมาก่อนใครๆหมดโดยไม่ได้ชักช้าอาตมาห่มจีวรถือเอาย่ามแลว้วก็เดินตามนายอ้ายลงมาขึ้นรถที่เชิงบันไดหน้าที่โรงพยาบาลอาตมาได้พบนายปันนอนอยู่บนเตียงด้วยสารรูปที่เกือบจาไม่ได้ เพราะตามหน้าตาเนื้อตัวเต็มไปด้วยปลัสเตอร์สีขาวมีคนนำเก้าอี้มาตั้งลงข้างเตียงของเขาอัตมานั่งลงจ้างดูนายปันด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความสงสารระคดกันนายปันยกมือขึ้นว่าอย่างยากเย็นดวงตาทั้งสองข้างเต็มเออไปด้วยน้ำตา เราจ้องดูตากันด้วยอาการสงบเงียบอยู่ครู่หนึ่งนายปันจึงพูดขึ้นด้วยเสียงแหบเรือว่าท่านครับผมผิดไปแล้วผมกราบขออภัยท่านโปรดยกโทษให้ผมด้วยคำพูดของนายปันทำให้ตามมางงเพราะไม่ทราบว่าเขาทำความผิดอะไร และทำไมต้องมาขอโทษอาตมาด้วยเพื่อให้แน่ใ่ใจจึงถามเขาว่าโยมได้ทำความผิดอะไรมาหรืออาตมานึกไว้ออกจริงๆว่าโยมได้ทำความผิดอะไรมานายปั่นยืนยันว่าผิดมากทีเดียวเขามองไปรอบๆเตียงคล้ายกับจะสารวจดูอะไรบางอย่างแล้วก็กวักมือเรียกนายายซึ่งยืนอยู่ข้างๆเตียง เมื่อนายเข้ามาหาเขาสั่งว่าให้ทุกคนออกไปข้างนอกก่อนเขาต้องการจะพูดอะไรกับพระเป็นการส่วนตัวญาติมิตรปฏิบัติตามคําสั่งด้วยดีแต่ทุกคนก็ออกไปด้วยสีหน้าแสดงความผิดหวังนายปันพูดขึ้นหลังจากคนอื่นๆ อ, ออกไปแล้วว่าท่านครับท่านยังไม่ทราบจริงๆหรือว่าทาไมผมจึงประสบเคราะห์กรรมคราวนี้ อาตมาจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อโยมยังไม่เล่าให้ฟังนายปั่นนิ่งงันไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าผมเข้าใจว่าท่านทราบเรื่องนี้ดีแล้วเพราะท่านเองเป็นผู้บอกผมเรื่องท่ามหาสมบัติของฤาษีนั้นพอได้ยินคำว่าท่ามหาสมบัติของฤาษี อาตมาถึงกับสะดุ้งเพราะไม่เคยคิดเฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าเคราะกรรมของนายปั่นจะไปเกี่ยวข้องกับธรามหาสมบัติเมื่อให้เขาเล่าเรื่องราวตามความเป็นจริงให้ฟังอาตมาจึงกล่าวว่าอาตมาเองไม่รู้เรื่องท่ามหาสมบัตินั้นมากไปกว่าที่เล่าให้โยมฟังเมื่อวานนี้โยมลองเล่าให้ตามาฟังซิว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร เมื่อวานนี้หลังจากได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคุมทรัพย์ฤาษีแล้วผมก็แอบไปสำรวจดูแหล่งที่อยู่ของคุมทรัพย์คนเดียวเงีบเยบๆและได้พบทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านบอกเล่าทุกประการความจริงสถานที่นั้นไม่ใช่ที่แปลกอะไรสำหรับผมเพราะผมเคยผ่านที่นั่นมาก่อนแล้วไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งแต่ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษอะไร เพราะไม่รู้ว่ามีมหาสมบัติซ่อนอยู่เมื่อตรวจดูสถานที่เป็นที่พอใจแล้วผมก็กลับบ้านขณะเดินทางกลับบ้านผมครุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรกับมหาสมบัตินั้นผมตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีในวันเดียวผมวางแผนการอนาคตไว้อย่างเลิล่อทลอย ตลอดบ่ายวันนี้ผมนอนยิ้มอยู่กับบ้านโดยไม่ได้ทำงานอะไรเลยในขณะที่นอนคิดอยู่นั่นเองผมก็เกิดความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะได้มหาสมบัติเหล่านั้นเมาไว้ในครอบครองให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ผู้ฝ่ายทำฟังดูให้ดีและเปรียบเทียบถึงบุคคลผู้มีวาสนาน้อย พอได้ยินข่าวว่าจะได้สมบัติหรือได้เงินอีกก็นอนรอนั่งรอไม่ทำอะไรนั่นคือลักษณะผู้ที่วาสนาน้อยแล้วคิดอยากจะได้ธรรมดานั้นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือโลภนักมรรคาหายวางใจเฉยๆทำงานอย่างปกตินั่นแหละลักษณะของผู้ที่มีบุญที่จะได้ทรัพย์กล่าวต่อไปว่า ใจหนึ่งอยากจะรีบไปขุดเอามาหาสมบัตินั้นเสียภายในบ่ายวันนี้เพราะอยากจะพิสูจน์ดูว่าคำพูดของท่านจะเป็นจริงหรือไม่อีกทั้งเกรงไปว่าท่านอาจจะเกิดเปลี่ยนใจไปยกทรัพย์นั้นให้คนอื่นเสียก่อนผมและลูกเมียก็จะอดอยากจนค้นแค้นต่อไปผมเกรงไปต่างๆนานา แต่ในขณะเดียวกันก็หว浑คิดถึงคำสั่งของท่านที่ว่าอย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ผมคิดตัดสินใจอยู่ตลอดตอนบ่ายในที่สุดฝ่ายความโลภ ก, ก็สนะผมตัดสินใจว่าจะไปขุดเอามหาสมบัติในคืนวานนี้เองเป็นอะไรก็เป็นกันแม้จะฝ่าฝืนคำสั่งของท่านก็ยอม นี่แหละครับคือความผิดอันร้ายแรงของผมเพราะความโลภแท้ผมจึงฝ่าฝืนคำสั่งของท่านผู้มีพระคุณและในที่สุดก็ประสบกับความทุกข์ดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ผมจึงกราบขออภัยท่านด้วยนายปั่นหลับตานิ่งคล้ายกับจะหยุดพักผ่อนชั่วคราวไม่เป็นไรอาตมายินดีให้อาภายัย อาตมาพูดขึ้นขณะที่เขาหยุดพักผ่อนความจริงโยมไม่ได้ทำความผิดอะไรต่ออาตมาถึงกับจะต้องขอโทษขอโพยดอกอาตมาสังเกตเห็นมานานแล้วว่าโยมเป็นคนดีมีศีลธรรมหนักแน่นในทางบุญกุศลการที่โยมฝ่าฝืนคำสั่งของอาตมาแล้วต้องประสบทุกข์ในคราวนี้ก็เพราะอำนาจความโลภ ถ้าโยมจะมีความผิดอยู่บ้างก็คงเป็นความอ่อนแอแห่งจิตใจของโยมเองที่ยอมให้ความโลภครอบ ง, งมจิตใจยอมตนลงเป็นทาสของความโลภอย่างง่ายแต่เอาเถึะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คอยแล้วกันไปสิ่งที่ควรให้อย่างเหลืออยู่ก็คือบทเรียนจากเหตุการณ์นั้น เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราคือบทเรียนสอนเราอย่างดีดีกว่าบทเรียนที่เราอ่านจากตำราหลายเท่าเช่นอย่างคราวนี้โยมก็คงจะได้เรียนรู้ว่าความโลภคือตัวปีษาจร้ายเมื่อมันได้เข้าสินใครแล้วมันจะทำให้คนนั้นคิดแต่จะเอาให้ได้ท่าเดียวลืมคำสั่งลืมระเบียบกฎเกณฑ์ลืมศีลธรรมหมด ในที่สุดแทนที่จะได้ทรงปรารถนากลับพลาดหวังและประสบทุกข์เข้าทานองภาษิตโบราณที่ว่าโลกนักมักลาภายขอให้โยมจำไว้นายปั่นยกมือขึ้นไหวแล้วพูดขึ้นผมจะจำไว้จนวันตายครับเอาล่ะขอให้โยมเล่าต่อไปว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไร คือเมื่อผมตัดสินใจที่จะไปขุดเอามาหาสมบัติฤาษีแล้วคือวานนี้ประมาณสองทุ่มผมก็ออกจากบ้านไปแวะยืมไฟฉายเพื่อนแล้วก็ออกเดินทางไปยังคุ้มทรัพย์คนเดียวเมื่อฉายไฟส่องดูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นปกติผมก็ขึ้นไปยืนเหนือประตูถ้ำ เอาท่อนไม้สอดลงไปตรงช่องหินปิดประตูถ้ำแล้วก็งัดแต่รู้สึกว่าก้อนหินไม่ได้ขยับขเขยื่อนเลยผมพยายามงัดจนสุดแรงแล้วก็นั่งพักผ่อนในวาระสุดท้ายในรวบรวมกำลังทั้งหมดงัดอีกคราวนี้ได้ผล ปรากฏว่าก้อนหินได้ถูกงัดล้มลงไปเพียงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ข้างๆพร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงดังครืนๆคล้ายๆเสียงฟ้าร้องอยู่ในถ้ำผมเรียบกระโดดลงไปยืนอยู่ข้างล่างจ้องมองดูปากถ้ำขนาดพอที่จะคลานเข้าไปได้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่คาดคิดไว ขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะคลานเข้าไปในถ้ำนั้นเองก็ต้องหยุดชะงักพอรู้สึกว่ามีลมอุ่นๆพุ่งจากถ้ำออกมากระทบใบหน้ายิ่งกว่านั้นยังมีเสียงดังสู้ๆอู้ๆ อ, อยู่ภายในถ้ำคล้ายๆกับกำลังมีลมพา ย, ยุใหญ่พัดอยู่ภายในผมตกใจถอยออกไปนั่งข้างๆปากถ้ำ คอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นครู่ต่อมาผมก็ต้องเพนกระโจนจากปากถ้ำเพราะปรากฏว่ามีลำน้ำขนาดเท่ากับปากถ้ำพุ่งออกมาอย่างแรงผมจ้องดูอยู่ข้างๆด้วยหัวใจเต้นระทึกด้วยความหวังว่าในไม่ช้าน้ำคงจะไหลออกมาหมดแล้วคงจะคลานเข้าไปเอามาหาสมบัติได้แต่น้ำก็พุ่งออกมาไม่ได้หยุดหย่อน และรุนแรงยิ่งกว่าตอนแรกกว่าผมจะรู้สึกตัวก็ปรากฏว่าน้ำได้ท่วมตัวผมขึ้นมาสูงแค่อกผมตกใจมองไปรอบๆตัวก็เลยพบว่าทุกขนทุกแห่งมีแต่น้ำเต็มไปหมดคล้ายๆกับว่าสถานที่นั้นได้กลายเป็นทะเลไปเสียแล้ว โดยความตกใจกลัวสุดขีดและด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดผมได้ออกว่ายหนามุ่งหน้าเข้าฝั่งทันทีแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้ฝั่งที่ผมมองเห็นจะอยู่ในระยะห่างออกไปประมาณสิบวาแต่ก็ว่ายไม่ถึงสักทีผมว่ายว่ายว่ายจนสุดกำลังจนหมดแรงและหมดสติ จมลงสู่พื้นทะเลผมนึกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงแล้วแต่แล้วผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกลางดึกได้พบตัวเองกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นดินใกล้ๆปากถ้มนั่นเองมองดูที่ปากถ้าปรากฏว่ามีก้อนหินปิดสนิทอยู่ตามเดิม ผมลุกขึ้นนั่งมองไปรอบตัวไม่มีน้ำทะเลโจดขอบฟ้าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก้มลงมองดูพื้นเห็นบริเวณรอบตัวกลายเป็นที่เตียนโลง่งต้นไม้ใบหญ้าขนาดเล็กล้มระเนระนาดแสดงว่าผมได้แหวกว่ายปลายปีนดิ้นรนอยู่บนพื้นดินแถวนั้นเองเมื่อมองดูและลูบคลำตัวเองก็ปรากฏว่า เต็มไปด้วยบาดแผลรอยถลอกปอกเปิกเต็มไปหมดตามหน้าตามอกท้องและหน้าขาเมื่อความตกตะลึงหายไปความหวาดกลัวต่อผุดผีปีศาจก็เข้ามาแทนที่โดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นผมได้ออกวิ่งมุ่งหน้าสู่บ้านทันทีล้มลุกลุกลานมาตลอดทาง พอถึงบ้านก็ล้มหมดสติอยู่ปากประตูบ้านนั่นเองจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลนี่แหละครับพอรู้สึกตัวผมก็อยากพบท่านอยากเล่าเรื่องราวถวายและอยากขอโทษเมื่อฟังเรื่องของนายปั่นจบอาตมายัางคงนั่งนิ่งคิดทบทวนเรื่องราวอยู่เป็นเวลานานทีเดียว รู้สึกว่าเรื่องราวของนายปั่นเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์คล้ายกับเทพนิยายสำหรับเด็กมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันที่โลกจเจริญด้วยวิทยาศาสตรน์นี้แต่พยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ายืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ แสดงให้เห็นว่าในโลกอันภัยสารนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าและเครื่องมืออันเป็นวัตถุใดๆขอให้โยมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกใครไปดันขาดนะอาตมาสั่งนายปันก่อนจะลากลับวันนั้นคราวนี้ ผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านด้วยชีวิตขอรับรองอย่างแข็งแรงและธรรมาก็กลับสู่พระอารามต่อไปตอนที่8เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงตลอดบ่ายวันนั้นอรตมาเกือบมิเป็นอันได้บำเพ็ญกิจวัตรตามปกติ จิตใจคลุ่นคิดแต่เรื่องของนายปันพยายามระงับเท่าไรก็ไม่สำเร็จใจหนึ่งคิดสงสารเขาที่ประสบเคราะห์ร้ายถึงสองชั้นเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วยังมาประสบอันตรายลึกลับแทบเอาชีวิตไม่รอดอีกแต่อีกใจหนึ่งก็นึกตาหนิเขาที่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความโลภฟาฟื้นคาสั่งของเรา ลอบไปขุดเอามหาสมบัติด้วยหวังจะรวยเร็วๆในที่สุดก็ได้รับอันตรายและหมดหวังที่จะได้ทรัพย์ขณะที่นึกตำหนในปันก็อดที่จะนึกตำหนิตัวเองไม่ได้ถ้าจะพูดว่าตมาเองเป็นต้นเหตุของความยุ่งยากทั้งปวงก็ไม่ผิดนักเนื่องจากมอบความไว้วางใจให้เขาโดยไม่ได้พิจารณาให้ท่องแทนเสียก่อน ถึงขนาดยอมบอกที่ซ่อนซับให้อย่างไรก็ตามจากเรื่องนี้อาต ม, มาก็ได้รับบทเรียนสองข้อข้อแรกคืออย่าเพิ่งไว้วางใจมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสหนาะข้อสองคือคนดีอาจกลายเป็นคนเสียได้เพราะทรัพย์สมบัติตามสุภาษิตโบราณว่าเห็นเงินหน้าดำเห็นขำหน้าเศร้า ความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้อตามาเกิดความเอื่มระอาอยากจะหนีไปเสียให้พ้นจากการรบ ก, กวนทั้งของมนุษย์และอามนุษย์การที่อตามาออกบวชก็เพื่อจะหนีให้พ้นจากงานหาเหยื่อเลี้ยงตันหาอันไม่รู้จักสิ้นสุดของมนุษย์แต่แล้วก็หนีไม่พ้นเพราะความกรุณาอตามาจึงได้นำตนไปเกี่ยวข้องกับสมบัติของสุเทวฤศี เพราะความกรุณาจึงได้ชักนำนายปานเข้ามาพัวผ่านด้วยในที่สุดความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นและยังไม่ทราบว่าจะลงเอยในรูปใดความอิดหนาระอาใจทำให้อตมาตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นว่าจะบอกเลิกกับสุเทวะฤษีไม่ขอเกี่ยวข้องกับคุมทรัพย์ของแกอีกต่อไปคืนวันนั้น เมื่อเข้าทำสมาธิสุเทวะฤศีก็มาพบตามนักหมายท่านฤศีพูดว่าข้าเจ้ามาขอรับฟังการตัดสินใจของท่านว่าท่านคงจะตัดสินใจรับสมบัติของข้าเจ้าแล้วกระมังฤศีชรากล่าวขึ้น แสดงว่ายังไม่ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาตมานั่งนิ่งอยู่นานทีเดียวเพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเล่าเรื่องให้ฤาษีชราฟังอย่างไรดีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่ฟังตามความเป็นจริงเมื่อตมาเล่าจบสังเกตดูสีหน้าของแก่เศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่มีสิ่งที่ทำให้อตมาประหลาดใจอยู่บ้างคือแกไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยเรือสีชราพูดขึ้นด้วยเสียงเศร้าหลังจากนิ่งอยู่เป็นเวลานานว่าในที่สุดเหตุการณ์ที่ข้าเจ้าวันวิตกไว้ก็เกิดขึ้นจริง อาตมาถามว่าท่านทราบล่วงหน้าแล้วหรือว่าเหตุร้ายแรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ไม่ทราบเพียงแต่หวันวิตกอสีชราก้มหน้าตอบและพูดต่อไปว่าเพราะเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครั้งหลังสุดก่อนคราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณห้าสิบหรือหกสิบปีมาแล้ว คราวนั้นมีพระเทระผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติเป็นประธานสงฆ์อยู่ในอารามนี้แหละข้าเจ้าเห็นว่าท่านเป็นผู้มั่นคงจึงไปหาไปเข้าฝันบอกที่สั้นมหาสมบัติให้แต่แนะนำให้ท่านประชุมสงฆ์พร้อมกันไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นมาไว้เป็นสมบัติของอารามนี้แต่แล้วท่านก็เกิดโลคอย่างแรงกล้า ลอบไปขุดขุมทรัพย์องค์เดียวและต้องว่ายน้ำกระเสือกระสมอยู่ในบริเวณนั้นจนสิ้นชีวิตตั้งแต่นั้นมาข้าเจ้าก็ไม่ได้บอกใครอีกจนกระทั่งได้พบท่านในข่าวนี้อาตมาเสียใจที่ไปบอกสถานที่อยู่ของขุมทรัพย์แกนายปันโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบครอบก่อน เพราะความสงสารเขาและไว้วางใจเขาเกินไปอาตมาต้องขอโทษท่านด้วยอีกประการหนึ่งเพียงแต่นำตนเข้ามายุ่งกับสมบัติของท่านแค่นี้อาตมาก็าประสบความยุ่งยากจนเสียกิจวัตรหมดสิน้นเพราะฉะนั้นอาตมาขอบอกเลิกไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านหรือของใครอีกต่อไป นับพรชรางเงยหน้าขึ้นมองดูอาตามาด้วยสายตาแสดงความวิงวอนแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าเจ้าก็คงจะเป็นปู่โสมเฝ้ารัพ์ต่อไปไม่มีกำหนดคำพูดอันน่าสงสารของแกทาให้ใจของตาหมาอ่อนลงอีกแต่าตาหมาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแล้วว่าจะเลิกยุ่งก็จะต้องเลิกอย่างเด็ดขาด จะไม่ยอมให้ความสงสารมาทำให้เลิกล้มความตั้งใจลันเสียสงสารแล้วมีโทษมีทุกข์ก็ต้องอุเบกขาเสียแต่เพื่อเป็นการปลอบใจนักพรตชราจึงพูดเป็นเชิงปลอบโยนว่าอาตมาเชื่อว่าในไม่ช้าท่านจะต้องไปอิสระเพราะเมื่อนายปัญหายเป็นปกติแล้วเขาคงจะพยายามไปขุดเอามาหาสมบัติอีก รือสีชราหัวเราะลงยิคออย่างฝืนฝืนแล้วพูดว่าสำหรับดายปั่นนั้นเลิกพูดถึงเขาได้เพราะถ้าเขานอนหลับและตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะลืมเรื่องราวทั้งหมดอย่างสนิทประดุษว่าไม่เคยประสบเหตุการณ์นั้นมาเลยในชีวิตในขณะบรรจุมาสมบัติไว้ในถ้ำขาเจ้าได้กระทำพิธีอธิษฐานไว้เช่นนั้น ป่านนี้เขาคงลืมสนิทแล้วนับว่าเขามีบุญมากทีเดียวที่สามารถรอดชีวิตมาได้ส่วนมากเสียชีวิตในขณะที่กำลังไหว้ทะเลบกนั่นเองอาตมาพูดว่าแต่ก่อนที่เขาจะหลับเขาอาจจะเล่าเรื่องให้ใครต่อใครฟังแล้วคนที่รู้เรื่องก็อาจจะไปขุดเอามาหาสมบัตินั้นจนได้ ฤศีสันสิสะชัยชาพลางพูดว่าไม่มีทางใครๆก็ตามที่ไม่ใช่คนที่ข้าเจ้ามุ่งหมายจะไม่มีทางเห็นที่เก็บทรัพย์เป็นอันขาดแม้จะเดินผ่านบริเวณนั้นก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นข้าเจ้าอธิษฐานไว้เช่นนั้นอาตมาและสุเทวะฤษีนั่งนิ่งคีดอยู่เป็นเวลานานทีเดียว เพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่ตมาและเห็นว่าเป็นทางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักรัชราเป็นอิสระได้วิธีที่อตมาเพิ่งคิดได้นี้ก็คือวิธีที่พระบรมศาสดาทรงใช้มาก่อนแล้วในคราวเสด็จ ออกบรระชานั่นเองอาตามาจะลองใช้วิธีนี้ปลดปล่อยสุเทวฤสีดูบ้างท่านผู้สง่งผดอาตามาสงสารเห็นใจท่านที่ต้องเฝ้ารับอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งๆที่อยากไปผุดไปเกิดบำเพ็ญบารมีต่อ อาตมาจะพยายามช่วยท่านให้เป็นอิสระให้ได้ในวันนี้ฤาษีชร า, าก้มลงกราบอาตมาด้วยท่าทางกับเพริกระเปล่าทันทีพลางพูดละล่ำละละักโอเป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านจะรับทรัพย์สมบัตินี้เองหรือว่าท่านได้พบบุคคลผู้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าอาตมานะไม่รับเองแน่เพียงแต่ขันห้าที่อยู่กับตัวก็หนักเกินไปแล้วสาหรับอาตมาที่จะบริหารรักษาแต่ว่าอาตมาพบบุคคลที่เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของท่านแล้ว ฤสีชราถามด้วยดวงตาเป็นประกายว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนบุคคลที่กล่าวนี้ไม่ใช่ใครหรอกท่านสุเทวะฤสีได้แก่เจ้าของเดิมของสมบัติเหล่านั้นนั่นเองสุเทวะฤสีทำคิ้วขมวดเป็นเชิงสงสัยแล้วพูดว่า หมายความว่าบัตรนี้บรรดาพระราชามหากษัตริย์ในอดีตที่นำทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาถวายองค์พระธาตได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและท่านได้พบเขาเหล่านั้นแล้วกระนั้นหรืออาตมาตอว่าหามิได้พระราชามหากษัตริย์เหล่านั้นยังไม่ใช่เจ้าของแท้เจ้าของแท้ยิ่งกว่านั้นยังมีอีก เมื่อเห็นฤาษีชารานั่งงงอยู่ด้วยความไม่เข้าใจอตมาจึงกล่าวต่อไปว่าก่อนอื่นอตมาใคร่จะขอถามท่านก่อนท่านจงมองดูจีวรที่ตามาห่มอยู่ในขณะนี้จีวร น, นี้เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของอตมาอตมาเป็นเจ้าของของมันแต่อตมาไม่ใช่เจ้าของเดิมของมัน กว่ามันจะตกมาเป็นของอาตมามันผ่านมาหลายเจ้าของแล้วก่อนจะมาเป็นของอาตมามันเป็นสมบัติของโยมผู้นำมาถวายก่อนหน้านั้นมันเป็นสมบัติของเจ้าของร้านขายเครื่องสังกัดพันก่อนนั้นอีกมันก็เป็นของช่างทอหุกก่อนนั้นอีกมันเป็นของคนทำไร่ฝ้ายก่อนนั้นอีกมันเป็นของต้นฝ้าย ก่อนที่มันจะเป็นต้นฝ้ายมันมาจากไหนหรือสีชารานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็เห็นจะมาจากแผ่นดินถูกของท่านทีนี้ในทางตรงกันข้ามจีวรของอาตมาผืนนี้แหละถ้าสมมุติว่าอาตมาตายลงมันจะไปไหน ถ้าเขาไม่เผาทิ้งพร้อมกับศพของท่านมันก็คงตกเป็นสมบัติของภิกษุรูปอื่นแล้วถ้าภิกษุรูปอื่นนั้นเกิดตายลงอีกมันจะไปไหนท่านสุเทวะฤศีถ้ามันไม่ขาดเสียก่อนมันก็คงตกเป็นสมบัติของภิกษุอื่นต่อไปอีก แล้วถ้าสมมุติว่าในโลกนี้คนทุกคนตายลงพร้อมกันหมดไม่มีใครเหลืออยู่รับมรดกจีวรผืนนี้เลยมันจะไปไหนมันก็คงจะกองทับแผ่นดินอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็จะเปื่อยเน่าปุพังสลายตัวกลายเป็นดินไปท่านผู้ส่งพรดคําตอบของท่านถูกต้องทีเดียว ท่านจะเห็นได้ว่าจีวรของอาตมาผืนนี้เดิมทีเดียวก็มาจากดินและในวาระสุดท้ายก็จะกลับคืนสู่ดินอีกเพราะสันนเจ้าของแท้ดั้งเดิมของจีวรผืนนี้ก็คือแผ่นดินอาตมายืมแผ่นดินมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น ในวาระสุดท้ายจะต้องส่งคืนเจ้าของเดิมเข้าแม้อัตมาจะบิดเพลิ้วไม่ยอมส่งคืนในที่สุดจีวรมันก็จะกลับคืนไปหาเจ้าของเดิมของมันเองถ้อยคำที่อัตมากล่าวมานี้ท่านเห็นอย่างไรสุเทวหรือสีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่ง และผงกศีสรรับขึ้นลงเป็นเชิงเห็นด้วยพลางพูดว่าข้าเจ้าเห็นด้วยเพราะมันเป็นความจริงเมื่อชีวอนซึ่งเป็นเพียงวัตถุท ร, รทั์ชิ้นหนึ่งของสมบัติแผ่นดินวัตถุอื่นๆที่มีกำหนดมาจากดินเช่นอาหารที่อยู่อาศัยแก้วแวนเงินทอง เพชรเนินจินดาจะเป็นสมบัติของใครเล่าท่านผู้ส่งรถจะเป็นสมบัติของใครฤาษีชราตอบยืนยันว่าก็เป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นเอง สมบัติต่างๆดังกล่าวมานั้นยังอยู่ห่างจากตัวเราเป็นสมบัติภายนอกเราเห็นได้ชัดว่ามาจากดินและจะกลับคืนสู่ดินถ้าพูดให้ใกล้เข้ามาอีกแม้แต่สังขารร่างกายของเราที่เรารักห่วงแขนยึดถือว่าเป็นของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของแผ่นดินเรายืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้น ในที่สุดก็จะต้องส่งคืนเจ้าของเดิมเขาแม้ขณะที่เรายังใช้อยู่เขาก็มาทวงคืนตลอดเวลายิ่งใกล้จกครบกำหนดส่งคืนเขาก็ยิ่งทวงใหญ่การที่ฟันของเราหลุดหายไปทีละซี่สองซี่นั้น หมายความว่าเจ้าของเดิมเขา่วงเอาไปทีละน้อยก่อนการที่หลังของเราค่อมลงทุกที่นั้นหมายความว่าเจ้าของเดิมเขาดึงลงไปเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ของเราก็ไม่มีการที่เราพูดว่าสิ่งนั้นเป็นของฉัน นั้นเป็นการกล่าวตามสมมุติของโลกการไปหลงยึดถือสิ่งต่างๆตามสมมุติว่าเป็นของตอนก็เท่ากับไปถือสิทธิเหนือสมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมคนในโลกไม่รู้ความจริงของ้อนี้จึงไปหลงยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ติดสิ่งโน้นให้ยุ่งไปหมด เมื่อสิ่งเหล่านั้นกลับคืนสู่เจ้าของเดิมของมันก็เกิดความผิดหวังเสียใจร้องไห้เป็นทุกข์หรือมิฉะนั้นก็หลงเฝ้าสมบัติของคนอื่นแบบมดแดงเฝ้ามะม่วงจนไม่มีเสรีภาพใดๆจะไปไหนก็ ไ, ไปไม่ได้เพราะความเป็นห่วง ฤสีชราพูดขึ้นยิ้มแบบแห้งๆว่าท่านพูดคล้ายๆจะต่อว่าข้าเจ้าโดยเฉพาะท่านพูดส่งผลแต่ท่านก็ยอมรับไม่ใช่หรือว่ามันเป็นความจริงเมื่อสุเทวะฤสีไม่ตอบ อาตมาจึงเทศนาต่อไปทรัพย์สมบัติที่ท่านเก็บไว้ในถ้ำนั้นท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของท่านแต่เพราะความหลงผิดท่านจึงยึดถือว่าเป็นของท่านและเสียเวลาเฝ้าอยู่นานเกือบพันปีแล้ว จะไปพุดไปเกิดบำเพ็ญบารมีต่อก็ไม่ได้เพราะความหลงผิดอันนั้นวิธีที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนั้นอาตมาเห็นว่าไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสมบัตินั้นเสียเท่านั้นท่านก็จะสบายใจ ท่านจะถอนได้ไหมเล่านักพรสชรายัางคงนั่งนิ่งอยู่ตามเดิมลักษณะหน้าตาแสดงว่ากำลังใช้ความคิดอย่างหนักอัตมาได้ถือโอกาสนั้นบรรยายต่อไปท่านฤาษีท่านอาจจะนึกเสียดายว่าท่านได้รักษาสมบัติมานานนับได้ร้อยปีแล้ว ก็จะสลับทิ้งไปเสอย่างไงไ่ายดายอันตัวท่านนี้เปรียบเหมือนนักโทษที่ถูกจำคุกมาหลายสิบปีและในระหว่างที่ถูกจองจำอยู่นั้นได้สร้างสวนปลูกดอกไม้ไว้ในเรือนจำขณะที่ดอกไม้กำลังออกดอกสวยงามก็พอถึงเวลาที่จะต้องออกจากเรือนจำ ท่านอาจจะนึกเสียดายดอกไม้นั้นแต่จะมีนักโทษสักกี่คนที่ยอมอยู่ในเรือนจําต่อไปเพื่อชมดอกไม้อาตมาเชื่อว่านักโทษทุกคนจะต้องยอมเสียสละดอกไม้อันสวยงามเพื่อแลกเอาอิสรภาพที่คอยมาเป็นเวลานานท่านเล่าจะเลือกเอาอิสรภาพหรือจะเฝ้าสมบัติของแผ่นดินต่อไป ฤสีชราพูดด้วยเสียงอ่อนๆแสดงถึงความอาไล์อาวรณ์สมบัตินั้นอยู่มากว่าเป็นการยากมากที่จะสลัดสมบัติมหาศาลนั้นทิ้งเสียงง่ายๆท่านฤสีท่านอาจจะคิดว่าสมบัติของท่านมีมากมาย แต่เมื่อเทียบกับสมบัติของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วสมบัติของท่านก็จะเป็นเพียงสายหยิบมือเดียวเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามหลังสามฤดูมีข้าทาสบริวารเป็นพันเป็นหมืน่นมีเพชรนินจินดาเป็นห้องห้อง มีพระชายาและโอรสที่กำลังน่ารักเหนือสิ่งอื่นใดราชบัลลังก์ของพระเจ้าสกพัทต์กำลังคอยพระองค์อยู่แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงสละสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังเสด็จไปอยู่ป่านอนกับดินกินกับทราย ทางนี้ก็เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าราชสมบัติอันมหาศาลนั้นยังไม่สามารถจะช่วยพระองค์ให้พ้นจากทะเลทุกข์ได้แต่การอยู่ในป่าอาจนําพระองค์เข้าสู่อมตะธรรมอันประเสริฐพระองค์จึงยอมสละสมบัติมหาศาลนั้นเสียเพื่อแลกเอาอมตะธรรม ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุถึงอมตรธรรมและไม่เสด็จคืนสุราชบัลังอีก